1. ปัตตวัคสิกขาบทที่2ว่าด้วยการแจกอาการแลจีวรเรื่องภิกษุณีทุลนันธา738สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาในวัดใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีวัดปฏิบัติสมบูรณ์มีอริยาบท งดงามแต่มีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆได้เดินทางไปกรุงสาวัตถีอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีเหล่านั้นแล้วคิดว่าภิกษุณีเหล่านี้มีวัดปฏิบัติสมบูรณ์มีอิริยาบทงดงามแต่มีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆคงถูกโจรชิงเอาไปจึงพากันถวายอากาละจีวรแก่ภิกษุณีสง์ภิกษุณีทุลันนันทากล่าวว่า พวกเรากรานกะทิแล้วผ้านี้เป็นการจีวรแล้วอธิษฐานให้แจกกันอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายได้จีวรบ้างไหมภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่ายังไม่ได้จีวรแม่เจ้าทุลนันทากล่าวว่าพวกเรากรานกะิิแล้วผ้านี้เป็นการจีวรและอธิษฐานให้แจกกั น, ก น, กนอุบาสกอุบาสิกาตําหนิ ประนามพลธนาว่าชไนแม่เจ้าทุลนันธาจึงอธิษฐานนอกการจีวรเป็นการจีวรแล้วให้แจกกันเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุบาสิกาตําหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพลธนาว่าชนแม่เจ้าทูลนันธาจึงอธิษฐานอาการจีวอเป็นการจีวอนแล้วให้แจกการเล่าคลั่แล้ว ภิกษุนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุีจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ